เรียกว่าเดือนนี้มี5อาทิตย์ด้วยกันนะค ะ, ะวันอาทิตย์ที่ห้านี้วันนี้ก็เป็นวันขึ้น15บ้าค่เดือนสิบ ปีมะโรนะคะวันนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะคด้วยค่ะก็ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยที่รายการธรรมราพุทธ์จะได้เรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านนะค ะ, ะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโรพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปรีกเรน ต, ตามพุทธประณะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล ด, ดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระคูสิทธิพพาก o น, นั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะนําทุกฝั่งทา ง, งบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิพูนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าข่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรสาธุเจ้าค่ะเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยย้อนกันเกี่ยวกับเรื่องของอความ คนลืมแก่นะเจ้าคะซึ่งเรจะให้แง่คิดไปในหลายอย่างแล้วแหะโดยสรุปแล้วก็คือการที่คนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนก็ตามปฐมวัยคือวัยต้นตั้งแต่อายุเกิดมา1ขวบถึงอายุ30มสิบปีมัชชิมวัยหรือวัยกลางคนตั้งแต่30ปีถึง60ปีซึ่งก็เป็นวัยทํางานทําการอะไรต่างๆนะเจ้าคะจกนกระทั่งถึงวัยปัตชิมะวัยคือวัยสุดท้าย60ปีขึ้นไปก็เกษียณอายุราชการซึ่งเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่สิ้นสุด ของข้าราชการซึ่งครบเกษียณอายุราชการ60ปีรวมทั้งข้าราชการอีกบางส่วนที่ อ, ออกจากราชการไปก่อนเกษียณอายุที่เรียกว่าเป็นเออรี่ลิทายเนี่ยนะเจ้าคะ<า>ดังนั้นเนี่ยเช้าวันนี้โยมก็เลยอยากจะขอนำอท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการ์พระอาจารย์พบุตรอภิปุโนแล้วก็รับฟังพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสาธยายธรรมหรือว่าสนทนาธรรมะในประเด็นที่เมื่อวานเราเกลื่นกันไว้นะเจ้าค่ะว่าวันนี้จะให้พระอาจารย์ได้เมตตาลงลึกกันไปเลยเจ้าค่ะว่า ในแต่ละวัยซึ่งพระอาจารย์เตือนไว้ว่าอย่าประมาทนั้นเนี่ยหรือว่ารักษาจิตของเราให้คงอยู่ให้ดีแล้วก็เป็นไปตามที่องค์พระสามาสมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสั่งสอนไว้นั้นเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องถึงวัยแก่ก่อนนะเจ้าค่ะหรือว่าเกษียณก่อนค่อยเข้าวัดหรือว่าค่อยปฏิบัติตัวหรือค่อยมาทําจิตแต่<ช>ทุกวัยนี่ควรจะทําอย่างไรนิมนต์เจ้าค่ะอก็ขอเริ่มจากพ่วงวัยวัยแรกก่อนวัยต้น ในหน้าที่ของวัยต้นเนี่ยหมายว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเกิดมาเราหาความรู้ความเรียนใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงคนที่เป็นลูกบ้างคนที่เป็นลูกศิษย์บ้างคนที่เป็นลูกคือต้องมีมารดาบิดานะสำหรับบุคคลที่เป็นลูกนะมีมัรดาบิดาเนี่ยจะเรียกว่าไม่ประมาทนะก็คือว่าเออเราทำตามที่บิดาบรรดาสอนนะรับใช้ท่านอย่างด e. ี วเวลาท่านสั่งอะไรเราก็ทําตามนะแล้วก็เวลาท่านให้เราไปเรียนหนังสือเราก็ไปเรียนอย่างเงี้ยนียังรวมถึงความเป็นลูกศิษย์ด้วยนีศึกษาศิลปะวิทยาอย่างดีเนียืนไปคอยรับใช้เข้าไปรับใช้อุปสรรคุปธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยรวมถึงพ่อแม่ด้วยในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ด้วยนะความเป็นลูกด้วยของมาดาบิดาเนีเรียนหนังสือก็ตั้งใจเนี่ยเขาชื่อว่าเราไม่ประมาท ทีนี้ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่ทำแล้วเราก็ควรจะพูดถึงสิ่งที่ห้ามทำด้วย <Okay. S 1> นะสิ่งที่ห้ามทำเนี่ยก็คือการครบเพื่อนชั่วนะการครบเพื่อนชั่วการเล่นการพ น, นันการที่ไปเป็นนักเลงสุราหรือเป็นนักเลงผู้หญิงนะก็ไม่ดนะีแล้วก็การที่ไปสู่ที่กากล้ามกลางคืนเนี่ยที่อะโคจรเนี่ยก็ไม่ดีอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทแต่ประเด็นถ้าเราอยู่ในวัยต้นเนี่ย คือ บ, บางคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือจะแบบถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือนะคุณหลีกเลี่ยงจากการไปในที่ที่ไม่ดีชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยนะไอช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยคุณสามารถสร้างสารรค์สิ่งดีๆได้อาจจะไม่ใช่ในโรงเรียนก็ได้อาจจะเป็นที่ทํางานหรือเป็นที่ไหนที่เราจะเป็นจะต้องมีกิจไปทำนะคือโอกาสของบางคนมันอาจจะไม่เท่ากันก็จริงแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอบายมุกสิ่งที่เป็นที่อกุศลเนี่ยก็ชื่อว่าเราดีละเราได้รับการรักษาละ ทีนี้ในเรื่องของปฐมวัยเนี่ยมันยังมันยังมีอีกในตรงที่ว่าเราอยู่ในปฐมวัยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวัยที่จะเป็นโอกาสในการทําความเพียรนะคือเรื่องของความเพียรเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเตือนเอาไว้อย่างนี้ว่ามีสมัยอยู่5อย่างเอาอย่างหนึ่งก่อนที่เป็นเวลาที่ควรแก่การทําความเพียรนะคือพระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยที่จะทําความเพียรได้ยากเนี่ยนะก็คือสมัยที่เป็นคนแก่ ถูกความฉลาครอบงำแล้วอันนี้จะทําความเพียรได้ยากความเพียรในที่นี้ไปถึงการ น, นั่งสมาธิการที่จะละ ก, กิเลสการที่จะศึกษาหาความรู้ในทางธรรมะเนี่ยทําได้ยากเพราะคนแก่แล้วนะคนแก่เนี่ยจะอ่านหนังสือทีหนึ่งนะคุณเตือนใจเอ้ยต้องเปลี่ยนแว่นสักสองอันดูกลายอันหนึ่งดูแกล้อันหนึ่งนะเดี๋ยวต้องจดเขียนหนังสือก็ อ, กอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้กว่าจะเขียนได้นี่ก็ปวดหนะาหนังสืองกเ ง, ง, งิ น, งน นะเรียกว่าไม่มีความคล่องตัว<ช>นะจะไปวัดทีนึงบางทีตามองไม่เห็นกลางคืนขับรถไม่ได่าต่องวานค็เดินไปอกีกไหนะจะมีความได้รับความลำบากตลอดเวลาที่จะบอกคนแก่ที่จะมาทำความเพียนะในการปฏ<ช>ิบัติธรรมพเจ้าบอกว่าไงนะบอกว่าคนหนุ่มต่างหากไคนที่ยังเป็นผู้หนุ่มแน่นกำยำ ม, มีผมดำสนิทนะประกอบด้วยความหนุ่มที่ยังอยู่ในปฐมวัยนะไปฐมวัยคือวัยต้นนะ แล้วนะก็อายุก่อนสาสิบเนี่ยเป็นต้นเนี่ยโดยตัวเลขนี้โดยประมาณนะแล้วนะก็เป็นวัยที่ควรทําความเปลี่ยนจริงๆนะไม่ใช่ว่ารอให้แก่แล้วถึงจะค่อยไปวัดนะอ่านะคุณยิ่งคุณวัยหนุ่มๆอยู่นีย่ยิ่งควรไปวัดเล ย, ยนะเพราะว่าแก่แล้วมันทํายากนะอย่างเราจะไปสร้างบุญด้วยการขัดห้องน้ําอย่างเงี้ยล้างห้องน้ําแหมเราต้องการความได้อนนี้สองใช่ไหมมีความสุขมีความสวยอย่างเงี้ยมีความหล่อเอาขัดห้องน้ําเลยอันนี้สองนี้ได้แนะ่ นะจะไปข่ายห้องน้ำโอ้โหก้มแล้วก็หลังก็ปวดละ <c oughs> นะ <c oughs> จะไปหยิบทีเดี๋ยวก็ลื่นลมละคนแก่จะเป็นงี้แต่ถ้าคนหนุ่มเนี่ยมันมันได้ไงะเอากี่ห้องวันนี้แข่งกันเลยทำสักยี่สิบห้องไงล้างห้องน้ําแข่งกันเอานี่ก็ได้แตถ้าคนหนุ่มเนี่ยสามารถทําได้แต่เพราะนั้นคนหนุ่มหนุ่มแน่นกํายำนะมีผมยังดาสนิทนี่ควรจะไปวัดเต็มที่เลยนะพระเจ้าบอกว่าจะเป็นสมัยที่ควรแก่การทําความเพี่ยน แล้วก็คนหนุ so ่มเนี่ยยังเป็นคนที่ไม่มีอาการป่วยนั่นคือป่วยน้อยกว่าคนแก่แต่ว่าคนแก่เนี่ยจะมีอาการป่วยมากนะไม่ป่วยหน้าก็ป่วยไม่ป่วยมากๆก็ป่วยมากอ่ะมีสองอย่างไม่ป่วยมากก็ป่วยน้อยนะเจ้าคะคือหมายความว่าไม่ป่วยมากก็ป่วยมากมากมากๆคือมากกว่ามากคือป่วยน้อยเนี่ยไม่มีคนแก่เนี่ยอมันจะต้องมีอาการป่วยบ้างอ่ะนะคุณลุกคุณนั่งคุณเดินไกลหน่อยเดี๋ยวปวดละเดี๋ยวเมื่อยละนตเพราะฉะนั้นก็คือมี ป่วยมากกับป่วยมากมานั่นเองสำหรับคนแก่ ม, มันเป็นสมัยที่ไม่ควรทำความเพียรเลยคือทำความเพียรด้ยากนะทำความเพียรแล้วก็จะมีแต่ความปวดยังจะมานั่งสมาธิสี้ย ช, ชั่วโมงนึงอ่ะเดี๋ยวละแหมต้องเตรียมไอ้เแบาบนิ่มๆมานั่งสมอยิดาที่พิงหลังเดี๋ยวขอเวลานิ่มๆเดี๋ยวต้องเปิดแอร์เดี๋ยวต้องฝาอะไรมาฟังจึงมันทําให้เป็นเรื่องยากสําหรับการที่เขาจะมานั่งสมาธิไปด้วยซ้าสําหรับคนบคแก่นะในะขณะที่คนหนุ่มนี่เป็นยังไงนะจอมาัมานั่งเลยนั่งปุ๊บกับปกอยู่ตรงนั้นเลย ถ้าสมมุติเราสามารถควบคุมจิตให้มันนิ่งได้เนี่ยนะร้อนหนาวนั่งปวดอะไรไม่เป็นเลยคนหนุ่มนะเพราะฉะนั้นคนหนุ่มเนี่ยจึงยิ่งควรจะไปวัดนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีธาตุไฟอันสมู่รเสมอนะคือคนแก่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นผู้ที่มีความเจ็บไข้ถูกความเจ็บไข้ครอบงําแล้วเนี่ยมันมันจะปฏิบัติทําได้ยากนั่งสมาธิไปเดี๋ยวก็ไอนะกลวคนข้างๆก็จะจะลุกไปอีกอย่างเงี้ย ในขณะที่คนหนุ่มนี่ผู้ชาบอกว่าเป็นสมัยที่อยู่ตามสบายก็คือหมายว่าเป็นสมัยที่มีอาภาษน้อยมีธาตุไฟเนี่ยสม่ําเสมอไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะพอควรกับการทำความเปลี่ยนเนี่ยจึงเป็นสมัยที่ควรทําความเปลี่ยนนะคือเป็น <Okay. S 1> สมัยที่เราควรจะต้องไปปฏิบัติธรรมคือไม่จำเป็นต้องไปวัดก็ได้นะคือบางคนอาจจะคิดว่าปฏิบัติธรรมนี่ต้องไปวัดอย่างเดียวมันไม่ใช่กันแหละอยู่ที่บ้านก็ได้ หรือว่าปฏิวัติธรรมต้องไปวัดนี้เท่านั้นไปวัดอื่นไม่ได้มันก็อยู่ที่ว่าคุณศรัทธาที่ไหนคุณก็ไปแล้วกันจะไม่ได้มาวัดป่าอถไหศพก็ไม่เป็นไรจะไปวัดไหนก็ดีถ้าคุณมีศรัทธาวัดไหนคุณก็ไปเจ้าค่ะคุณปฏิบัติธรรมได้ที่บ้านคุณก็ทำอย่างเงี้ยถึงแม้ที่บ้านจะไม่มีห้องพระเอ่อมีห้องว่างๆไหมห้องที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรอาจจะเป็นห้องนอนเราก็ได้ที่ยตอนนั้นไม่ได้มีกิจกรรมอะไรหรือห้องทํางานเราก็ได้ตอนนั้นไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วก็ใช้เป็นเรือนว่างได้อย่างเงี้ยเราก็ทําเลย เนะี่ยทนี่ก็บางคนจะไปเต็ดรูปแบบอีกแตนะ่ต้องหลับตานั่งท่านไหนเอาขาซ้ายทับขวาได้ไหมเอาขว า, าทับซ้ายดีกว่าหรือเปล่าแตนะ่มันได้ทั้งนั้นอ่ะค่ะเนะเพราะว่ามันอยู่ที่จิตเนะี่ยอยู่ที่จิตของเราเราจะคุมจิตยังไงให้มันวุ่นวายที่มันวุ่นวายมันเงียบไปนะีก็หลายๆคนนะคุณเดินใจที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าหลังไหนโศกเนี่ยก็เป็นเด็กที่อยู่ในปฐมวัยทั้งสิ้นเลยเนะี่ยังกำลังจะเรียนจบ บ, บ้างเรียนจบมาแล้วจะไปต่อปริญญาโทบ้างก็มาเข้าคอสปฏิบัติธรรม นะมีเยอะด้วย20่สาเปอร์ซด้วยซ้นะําำของแต่ละคอสต อ, อสตที่มายิ่งช่วงปิดเทอมเนี่ยปิดเทอมใช่ไหมก็ขอมาเอามาแล้วก็ชวนพ่อแม่มาด้วยอย่างเงี้ยยิ่งจะเป็นการดคคนะีแล้วก็พ่อแม่นี่ก็รักลูกอยู่แล้วเนี่ยถ้ายิ่งมีลูกที่เป็นกันเองมิดนะโอ้พ่อแม่ยิ่งดีมีลูกคนหนึ่งนะจะสอบเข้ามาวิทยาลัยจะมาเรียนหมอเขาเปิดวิทยาลัยแพทย์ที่อุดอรเนี่ยนะเขาพยายามจะได้โค้ต้ามาสอบ ยังไม่รู้จะสอบได้หรือเปล่าก็เลยแวะมาที่วัดก็พาแม่มาแต่แม่นี่ไม่เคยมาวัดไม่ได้อะไรแต่เชื่อว่าเป็นการที่ตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาด้วยซ้ําอืมเจ้าค่ะ อ, อ่เพราะว่าถ้ามารดาไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลไม่มีศรัทธาพวกเนี้ยเราให้ท่านตั้งอยู่ในศีลให้ท่านมีศรัทธาเนี่ยลูกคนนั้นเนี่ยที่อยู่ในปฐมวัยเนี่ยโอ้ยได้บุญมากถือว่าเป็นการตอบแทนที่เรียกว่าพอจะเสมอกันได้กับพระคุณที่ท่านเลี้ยงเรามาใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของความไม่ประมาท เรื่องขอการด้วยการตั้งใจเรียนก็ตา ม, ารรตตามเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ตามและเรื่องขอการตอบทุนตอบแทนบุญคุณบรรดาปิดาด้วยการที่ท่านตั้งอยู่ในศีลให้ท่านมีศรัทธามีจักค่าพวกเนี้ยนั้นะเป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในปฐมวัยเนี่ยจะต้องทําเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมั น, ม, นมันไม่แน่บางคนใบไม้เนี่ยนะคุณตืนใจอ่อนๆมันก็ร่วงจากต้นได้นะเราเห็นเป็นประจำต้นโพอยเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้ต้นประดู่กลาลังผลัดใบ้ในะบมันจะโกรนทั้งต้นเลย เนะพระาะว่าตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วที่อุดอรนะเจะไม่ได้ฝนไม่ตกมาสองสัปดาห์แล้วเนะพราะเพราะน้ำต้นไม้มันไม่มีน้ําเนี่ยมันก็เริ่มสลัดใบทิง้งนะใบ อ, อ่ อ, อนๆที่โตมาใหม่ก็สลัดทิง้งนะสลัดทิ้งหมดเลยนะคนอายุน้อยๆก็ตายได้เหมือนกันเจ้า ค, ค่ะนะก็็เปนดังนั้นเราไม่ควรประมาทเลยนะเจ้า ค, ค่ะใช่ในปฐมวัยเนี่ยยิ่งเป็นวัยที่แบบโหต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ทํามีความเพียรทําได้ทุกอย่างเลยนะเจ้าค่ะอย่าไปกลัวอะไรคือหมายความว่ากลัวเนี่ยจะกลัวให้กลัวบาป นะให้กลัวบาปอย่าไปทำบาปนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าสร้างสารรค์ทำความดีทำความเพียรช่วยเหลือสังคมตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ขยันเรียนหนังสือนะตั้งใจทำงานถ้าเป็นคนทำงานอยู่นะ ก, ก็ดีทั้งนั้นจุ๊ค้า อันนี้ก็ึกว่าเป็นธรรมะที่ว่าเราอยู่ในช่วงของปฐมวัยแล้วก็แม้แต่ล่วงมาถึงวัยกลางคนนะเจ้าค่ะคือจฐ ม, มวัยก็คือตั้งแต่30ปีขึ้นไปด้วยเหตุที่พระอาจารย์ได้สากชฉามานะเจ้าคะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มแน่นเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะ ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าสามารถปฏิบัติได้อย่างดีเนี่ยนะเจ้าคะ่ะอันนี้คงจะเป็นเหตุที่ว่าทําไมเราถึงได้ทางพุทธศาสนาถึงได้กําหนดให้ว่าชายไทยเนี่ยถ้าเผื่ออายุประมาณ20กว่าปีเนี่ยเจ้าคะ่ะก็สมควรที่จะได้บวชเรียนใช่ไหมเจ้าคะ่ะเพราะว่าต้องการที่จะให้ฝึกอย่างเต็มที่ถูกไหมเจ้าคะก็เป็นค <c oughs> ่านิยมที่แม้แต่กษัตริย์ก็พาทำเหมือนกันเจ้าค่ะนั่นคือพระมหากษัตริย์นี่มีโอกาสพระองค์ก็จะบวช อยู่ในพุทศาสนาช่วงเวละเวลาหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ได้ทาํามาซึ่งก็บวชได้นะสามารถบวชได้สามารถทําได้ถ้าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็ลองมาฝึกดูก็ได้รูปแบบของความอยู่ง่ายๆกินงะ่ายๆนะมีการทําความเพียรที่เป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าบางทีเราเ อ, อ, อยู่ในสิ่งข้างนอกนอกรั้วนอกนอ ก, กาแพงเนี่ยก็จะไม่ได้รับการปกป้องแต่ถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยจิตใจของเราจะไม่ได้รับการปกป้องศีลก็ตาม นะธรรมะก็ตามเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกำแพงที่คอยปกป้องของเราจากสิ่งที่ไม่ดีมากระทบนะเรามีโอกาส ก, าก็บวชได้นะผู้หญิงก็ก็บวชได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาก็อนุญาตเยอะแยะเนาะไปะไปฏิบัติธรรมไปอะไรต่างๆอยู่วัดสามวันเจ็ดวันคือบวชจะกนผมก็ได้ไม่กนผมก็ได้จะบวชใส่เครื่องแบบไม่ใส่เครื่องแบบก็ได้ใสเครื่องแบบนี่หมายถึงว่าคุณเปลี่ยนเป็นชุดขาวหรือว่าเป็นห่มเหลืองอย่างเงี้ยเจ้ค่ะก็เรียกว่าอยู่ที่จิตเราโดยแท้เลยนะเจ้าค่ะในใจเจ้าค่ะ และทีนี้พอถึงวัยกลางคนแล้วเจาค่ะพีก่อนเจ้าค่ะอันนี้อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญนุพิวโนได้เมตตาให้ธรรมะแก่ท่านที่อยู่ในวัย3 0มสถึงหกเนี่ยเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นวัยทํางานแล้วก็โยมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นวัยที่ทํางานมาได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะ30กว่าเนี่ยเจ้าค่ะเป็นเรื่องของความรุ่งเรืองมีการแข่งขันสูงเจ้าค่ะในการที่จะเบียดขึ้นตําแหน่งต่างๆนานานีเจ้าค่ะซึ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมอุปถัมภ์ของไทยเนี่ยก็จะมี เรื่องของการที่มีการที่จะจะวิ่งเต้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยเจ้าค่ะอยากให้ <ừ> um. พระอาจารย์ไปบุญเมตตาใ ห, ให้ให้ธรรมะแก่บรรดาท่านที่กำลังต้องผจนชีวิตการทำงานอยู่ก่อน <ừ> um. 60ปีเนี่ยเจ้า <ừ> um. ค่ะนิมนต์เ า, ามคุณตัใจนิดหนึ่งคุณตัใจก็ยังยอยู่ในมัชิมวใช่ ไม่ไม่ต้องบอกตัวเลขก็ได้นะอยู่ในมัชีมะไวไมไม่ใช่มะชีมวัยแล้วเจ้าค่ะเป็นน่าจะเป็นปัดฉิมแล้วเช้ค่ะไวสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะอืคืออย่างช่วงมัชีมวัยที่เราผ่านมาเนี่ยอาจารย์ผู้เตือนใจก็ได้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยที่เราคบมาตั้งแต่ปฐมวัยเนี่ยมาตั้งแต่เราสมัยเรียนหนังสือจะเป็นมาอะไรก็ตามมัธยมก็ตามปฐมก็ตามเนี่ยนะตอนนี้ที่ยังคบอยู่คุ้นเคยอยู่เนี่ยมีเหลือไหมมีกี่คนนับได้เต็มสินิ้วไหม ไม่เต็มเจ้าค่ะไม่ถึงนะน้อยมากเจ้าค่ะสองสามคนห้าคนอย่างมากในที่เราคบมาเจอกันด้วยตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะเอาาที่สนิทสนิทกันเนี่ยนะหรือว่าที่พบปะเจอเจอกันเป็นประจำเนี่ยนะจะพบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีมากคือหมายความว่าอะไรอันนี้อาจากําลังจะพูดถึงประเด็นที่ว่าเพอเราเข้าสู่มชิมะไหวเนี่ยเราจะพบปะผู้คนเยอะมากขึ้นนะเราจะมีเพื่อนฝูงเยอะมากขึ้นสมัยเด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นก็ตามมีก็มีเพื่อนอยู่แต่คนที่เราจะเจอส่วนมากเนี่ยคือ มารดาบิดาครูอาจารย์เราจะเจอมากกว่าถูกไหม<ช>ไอ้เจอเพื่อนเนี่ยมันจะเจอน้อยกว่านะนี่คือพูดถึงสมัยเด็กๆที่เรา อ, อยู่ในประฐมะวัยนะพอเราโตขึ้นมาโตขึ้นมาเนี่ยเฮ้ปรากฏว่าเราเจอเพื่อนมากกว่านะเจ้าค่ะเราเจอเพื่อนมากกว่าเราเจอมิตรมากกว่าเราเจอเพื่อนร่วมงานลูกน้องหัวหน้าอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะเจอพ่อแม่ของเรามากกว่าที่จะเจอครูบาอาจารย์ของเราใช่ไหมถามว่าชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยในวันหนึ่งยี่สิบสีชั่วโมงตัดเวลา นอนออกไปเวลาพักออกไปเหลือทำงานจริงๆ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยไอ้ช่วง8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาส่วนใหญ่ของวันด้วยซ้ำใช่ไหมถ้าเราเอาเวลานอนออกไปเนี่ย น, นะไอ้เวลาส่วนใหญ่ของวันที่เรามีเนี่ยเราพบปะใครมากที่สุด่ถ้าเป็นสมัยก่อนเรายังเป็นเด็กประถมวัยเนี่ยเราพบปะบรรดาบิดาพ่อแม่พู้<อ>นีมากอ่าพี่น้องแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราพบปะเพื่อนมากที่สุด วัยรุ่นไงเจ้าค่ะจะติดเพื่อนตั้งแต่ โ, โตขึ้นมาเนี่ยนะมาเข้าสู่เริ่มเข้าสู่ปฐม ว, วัยปลายๆลายจนตั้งถึงมามัชชิมวัยเนี่ยวัยกลางเนี่ยเจ้าค่ะก็จะต้องมีเพื่อนเยอะเพราะนั้นจึงต้องเตือนในเรื่องของเพื่อนเนี่ยสำคัญมากนะบางคนมีประวัติการทํางานมาดีเรียนจบสูงมีความรู้ดีแต่เจอเพื่อนชั่วโอ้โหจบเลยชีวิตใช่ไหมหรือบางคนในทางตรงข้ามเนี่ย อาจจะทํามาเรียนหนังสือกลางๆแต่เพื่อนชวนไปดีนะเป็นนักธุรกิจยิ่งใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่ยยโตก็มีนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเนี่ยจึงเป็นสําคัญสำหรับวัยกลางคนนะหนึ่งในหลาย ๆ, ๆเรื่องที่สําคัญเราจึงต้อเอาเรื่องของเพื่อนเรื่องของมิตรเนี่ยมาเน้นย้ำนะให้ดีนะว่าเออเราจะเจอเพื่อนเนี่ยหรือว่าเราจะเป็นเพื่อนของใครเนี่ยคุณจะเป็นเพื่อนแบบไหนนะเพื่อนที่คุณคบคุณจะเลือกยังไงนะถ้าเราเจอคนประเภทที่ว่าชอบพาไปกินเหล้าชวนไปกินเหล้า ชวนไปเล่นการพนันชวนไปให้เป็นคนเจ้าชู้ชวนไปคบผู้หญิงผู้ชายแะไรต่างๆเนี่ยนะหรือว่าชวนให้โกงไปคนอื่นด้วยของปลอมนะชวนให้เป็นคนโกงเขาซึ่งซึ่งหน้าชวนให้เป็นคนหาเรื่องที่นั่นที่นี่เป็นคนหัวไม้อะไรเงี้นเถอะนะอันนี้น่ยคือให้รู้เลยไอ้พวกนี้เป็นคนไม่ดีอย่าไปคบมันอย่าไปคบกับมัน ค, นะคือเราอาจจะเพิ่งรู้จักกันรู้จักกันปุ๊บชวนไปพวกนี้แล้วเนี่ยนะอนี่แสดงว่าอย่าไปคบกับมันเลยมันเป็นคนไม่ดีแน่นอน นะไม่ต้องคคไปสืบสาวหาใครนะถ้าถ้าเขาเป็นคนเป็นอย่างนี้นะเราอย่าไปกับเขาหรือแม้ตัวเราเองก็ตามอย่าอย่าไปชวนเขาให้เป็นอย่างนั้นนะคือบางทีเราทําความผิดมาในชีวิตนะคุณเดินใจมันไม่ใช่ว่าเราจะเลิศหรูอลังการสวยหรูมีความสุขทําทุกอย่างถูกหมดในชีวิตไม่เป็นอย่างนั้นนะะชีวิตจริงๆมันแบบขึ้นขึ้นลงล ง, ลงบุ๋มบุมบ่ำๆซ้ายขวาหน้าหลังมันมีหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําผิดพลายมาแล้วเนี่ย อาจจะหลงไปในการพ น, นันหลงไปในสิ่งที่ไม่ดีเราเลิกซะนะมีเคยมีคนบอกอย่างนี้นะคุณตนใจว่าสมมุติถ้าเราเลือกที่จะเจ็บก็คือเหมมีการตัดสินใจครั้งหนึ่งนะ<ช>ถ้าอย่างสมมุติสามีภรรยาคบกันอย่างเงี้ยเพราะว่าสามีไปมีมีชู้อย่างเงี้ยแต่เราก็ฟังมาคร่าวๆเอยยังไม่ได้ตรวจสอบความจริงเท่าไหร่รู้รแค่ระขายอย่างเงี้ยซู่คุณเจ็บตอนนี้เนะจ็บตอนนี้หนักเหมือนกันนะ่นะแล้ว แล้วเลิกแล้วไม่เจ็บอีกนะกับเปรียบเทียบกับกรณีสองคือว่าอตอนนี้เราก็สงสัยสงสัยไปเรื่อยจนถึงสุดท้ายเนี่ยเจ็บหนักกว่าเดิมอีกนะจนเมื่อความจริงโผล่เรายิ่งเจ็บหนักกว่าเดิมเสียไปมากกว่าเดิมเนี่ยสู้เราเจ็บหนักตอนนี้ดีกว่านะคือเคยจะเปรียบเทียบอาจจะเห็นภาพมากขึ้นคืออย่างการทำฟันอย่างเงี้ยเดีวคุณฟันฟันผุดนิดหน่อยตอนนี้เดีวคุณไปหาหมอเนี่ยโอ้โหหมอฟันที่ต้องโอ้ต้องแบบกรอฟันโอ้โหกลัวก็กลัวแล้วก็เสียตังค์ด้วยแล้วก็ ไม่อยากทําด้วยไม่อยากไปหาหมอฟันแต่ถ้าคุณไม่รักษาตอนนี้นะคุณเตือนใจเราปล่อยไปอีกสองปี5ปีเนี่ยคุณก็ต้องไปหาหมอฟันอยู่ดีแล้วก็ต้องเจ็บมากกว่าเดิมอีกเสียเ <fan. S 2> งินมากกว่าเดิมอีกถึงขนาดจะต้องต้องเสียฟันด้วยซ้ำทำฟัน<ช>ปลอมอนี่เป็นหมื่นๆเลยเจค่ะแตสู้ว่าเราทนเจ็บตอนนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะไปต้องผ่านไปอีก3มปีหปีเจ็บหนักกว่าเดิมอีกทุกกว่าเดิมอีกค่ะแตสู้เราเจ็บนิดหน่อยตอนนี้ไม่ดีกว่าเราแต่มาพูดประเด็นตรงนี้คือว่า ถ้าเราทำผิดมาในชีวิตของเรานะมันมีแน่จุดที่ผิดจุดที่ไม่ดีนะเราเรีบแก้ไขซะนะแก้ไขเพราะฉะนั้นนะความจริงแก้ไขเดี๋ยวนีนะ้อย่าเป็นคนนอนตื่นสายอย่าไปทำผูกเวรอย่าไปคบมิตรชั่วอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะเรารู้ว่าเราทำมาก่อนเราก็แก้ไขซะเราผิดซีดมากเราก็แก้ไขซะแล้นะววัยกลางคนเนี่ยมันจะเป็นวัยที่จะได้เจอข้อมูลพวกนี้มากขึ้นนะคือหมายความว่าบางทีเราเด็กๆเราอาจจะนึกไม่ถึงใช่ไหม จนทาให้นักจิตวิทยาเดี๋ยวก็มีคำที่เรียกว่าอะไร mid life crisis นะเจ้าค่ะคือหมายความว่าช่วงชีวิตกลางๆชีวิตเนี่ยไม่รู้ชีวิตฉันจะไปยังไงฉันจะทําอะไรนะมันเป็นจุดที่เราจะต้องมาคอยพิจารณาตัวเองว่าไอ้ฉันจะทำยังไงกับชีวิตของฉันต่อไปเจ้าค่ะอ่าคุณทบทวนมาก็ได้คุณผ่านมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเรียนก็เรียนความรู้ความเรียนก็มีพอประมาณแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เคยไม่เจอเจอก็เจ อ, เจอมาบ้างแล้วเนี่ยนะเราควรจะต้องทบทวนว่าเอ้ฉันฉั น, ฉ, นฉันดีกว่าเดิมไหม หรือว่าฉันแย่ลงไหมสิ่งไหนที่ไม่ดีฉันทํามากขึ้นไหมสิ่งไหนที่ดีๆฉันทําเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแลนะเราต้องคอยพิจารณาคือคอยทบทวนโยนิโสมนัสการนะ์ถ้าจะพูดภาษาธรรมะนะถ้าจพูดภาษาบ้านเรา ก, ก็คือทบทวนชีวิตของตัวเองสนะานจะไปรอทบทวนตอนแก่ตอนแก่เนี่ยทบทวนไม่ไหวแล้วแตนะ่บางทีความจําก็ยังลืมด้วยซ้ํำเอาทบทวนมันตอนนี้นะว่าชีวิตฉันเป็นยังไงมาแล้วฉันจะเป็นยังไงไปเพราะมันยังมีเวลาที่จะกลับตัวทันนะ อย่างเราก็นั่งเครื่องบินเนี่ยนักนักบินเนี่ยนะคุณตือนใจถ้าเราเคยไปต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือจากเครื่องบินขึ้นจากประเทศไทยเนี่ยไปอเมริกาอย่างเงี้ยเป็นต้นไปลอนดอนแล้วกันไปที่ประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยถ้าหัวเครื่องบินเนี่ยตอนที่มันขึ้นจากส่วนภูมิเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ในการเดินทางจะทราบว่าไอทิศทางของสนามบินเนี่ยมันไม่ตรงกันหรอกนะคุณจะไป คุณจะไปทางเหนือตะวันออกเฉียงะตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยที่ประเทศอังกฤษอยู่ใช่มเ้าค่ะแต่ว่าทิศทางของหัวขึ้นบินมันพุ่งไปทางใต้นะจะไปสิงคโปร์อ๋อคุณจะไปลอนดอนคุณผ่านสิงคโปร์ก่อนอุ้ยไม่ถูกแล้วนักบินเขาต้องทําการปรับทิศทางของเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาประสานนักบินเขาเรียกว่าการตรวจสอบเส้นทางการบินอยู่ตลอดเวลาเส้นทางการบินต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาคุณตนใจไม่ใช่ตรวจสอบตอนที่เครื่องขึ้นกับเครื่องจะลงไม่ใช่ S <S นะเพราะว่าสมมติเราเครื่องขึ้นเอาเราหันหัวถูกอยู่แต่บางทีทิศทางลมมันม า, าหรือว่าความเร็วไม่ถูกต้องทิศทางล ม, มเปลี่ยนแปลงไประบบมีการเปลี่ยนแปลงไปเราต้องตรวจสอบทิศทางการบินอยู่ตลอดเวลาหรือบางทีตอนเครื่องขึ้นหัวเราพุ่งไปไม่ถูกทางเราต้องมีการปรับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทิศทางการบินเนี่ยต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันคุณดําเนินชีวิตมาถึงตอนนี้แล้วคุณตรวจสอบไหมว่าชีวิตเราเป็นยังไงเคยคิดหรือเปล่านะอย่าไปมัว หลงระเริงเที่ยวเล่นกินดื่มใช้ใจ่ายเงินกู้หนี้ยืมสินโอ้ oh, คุณระวังวนะโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเนี่ยพอเริ่มเข้าวัยกลางคนเงินเดือนมันเริ่มมียิ่งจะไปซื้อบ้านซื้อรถใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยต่างต่างมันจะเริ่มสร้างหนี้ตรงนี้แหละวัยกลางคนโดยตอนต้นชีวิตเนี่ยเขาไม่คุณกู้หรอกนี่ยเพราะคุณยังมีไม่มากใช่ไหม <Okay. S 1> พอเราจะเริ่มใช้ใจ่ายนี่แหละวัยกลางคนนี่แหละมันจะเริ่มสร้างหนี้แล้วมันกลับตัวยากมากนีคุณเดินใจถ้ามันพลาดไปแล้วเนี่ย อย่างเครื่องบินเนี่ยที่เขามุ่งหัวไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยอ้าวพอจนถึงสิงคโปร์อ้าวเรามาผิดทางนี่มันจะเข้าใกล้เส้นสูนย์สยตแล้วไม่ใช่ต้องรีบกลับตัวคุณเสียเวลาไปสองสามชั่วโมงละเจ้าค่ ะ, ะบางคนเนี่ยอยู่วักลางคนแล้วกลับตัวไม่ทันไปรู้อีกทีก็สายเสียแล้วมันต้องมาน้ำตาเช็ดหัวเขา่าหัวเข่าก็เจ็บด้วยเจ้ค่ะจ้มันมันก็จะไม่ได้อ่ะอืมเพราะนัะ้นวัยกลางคนเนี่ยช่วงต้นก็ตามสามสิบสี่สิบห้าสิบ นะทุก5ปี2ปี10ปีคุณตรวจสอบชีวิตของตัวเราไหมเริ่มเลยไล่มาเลยตั้งแต่จากภายนอกนะเพื่อนคุณเป็นยังไงนะเพื่อนคุณเป็นยังไงไล่เข้ามาอีกแนะคุณมีเงินในกระเป๋าเท่าไหรนะ่เป็นเงินที่หาได้ดีๆนะคุณมีสินทรัพย์เท่าไหร่ไล่เข้ามาอีกนะคุณมีสีนเป็นยังไงไล่เข้ามาอีกในะจิตของเรานะคุณทําสมาธิบ้างไหมนะคุณสร้างบุญอะไรบ้างคุณเห็นกระดาษหรือเปล่านะถามตัวเองสิ่งเหล่านี้ต้องถามอยู่เหนึ่ง อาจะบางคนคิดว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังน้อยไปด้วยซ้ำเนาะอาจจะปีทั้งสองครั้งหรือว่าควอเตอร์ละครั้งสิบสามเดือนครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยในทางบริหารราชการโดยทางบริหารบริษัทเนี่ยนะเขาจะแบ่งปีหนึ่งออกแบ่งเป็น4ี่ส่วนใช่ไหมเป็นไตรมาสอ่าเป็นไตรมาสไตรมาสละสามเดือนอย่างเงี้ยหรืออย่างการบริหารงานบางอย่างเราก็แบ่งเป็นสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นงไงสัปดาห์นี้จะทำอะไรสัปดาห์หน้าทำยังไงสัปดาห์ต่อไปทาอะไรอย่างเงี้ย เราจึงต้องมีการทบทวนอยู่หนึ่ ง, งๆว่าเป็นช่วงเวลาที่เราพอจะแก้ไขได้กลับตัวได้ปรับเปลี่ยนได้ทําให้ดีขึ้นได้ทําให้มันดียิ่งกว่านี้ไปได้เราจึงต้องมาเตือนกันนะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงวัยวัยท้ายไปแล้วนะตอนนี้วันนี้เราพูดถึงวัยต้นกับวัยกลา ง, งว่าเราทําอย่างนี้เราคอยตรวจเช็คตรวจสอบเราเป็นเพื่อนอยังไงนะเพื่อนดีมีไหมเพื่อนไม่ดีเราเลิกคบไปหรื อ, อยัง พวกบอกลอพกพูดดีแต่พูดพวกหัวประจบพวกคนชักชวนในทางชิปหายเนี่ยเลิกไม่ครบไล่มันทิ้งไปนะลบเบอร์โทรศัพท์มันออกจากโทรศัพท์เราหรือไม่ก็เปลี่ยนไปในลิสต์ที่มันไม่ต้องรับอย่างเงี้ยส่วนเพื่อนดีๆคุณมีเพิ่มเติมไหมนะเพื่อนที่มีอุปการะเพื่อนร่วมทุ่ร่วมสุ่เพื่อนแหนประโยชน์เพื่อนมีความรักใคร่คุณหาได้ไหมนะฮะไม่ได้คุณเป็นสักคะเป็นสักตัวเองเป็นซ ะ, นะะแล้วก็เราจะเริ่มมีเพื่อนดีเข้ามาในชีวิตของเราเจ้าค่ะ ก็เรียกว่าวันนี้เราได้รับ แงคิดที่ดีมากๆจากท่านพระอาจารย์ไพบรุณอภิปุโนนะคะท่านผู้ฟังคะในประมาณสองนาทีสุดท้ายนี้โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบรุณอภิพุโนเจ้าค่ะว่าอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ฝากแง่คิดสําหรับท่านพี่น้องข้าราชการนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้คือในวันพรุ่งนี้นี่ก็เป็นวันที่หนึ่งตุลาคมเท่ากับเป็นวันขึ้นต้นปีงบประมาณใหม่นะเจ้าคะพวกที่รับหน้าที่ใหม่ตําแหน่งสูงขึ้นก็คงจะต้องมีหน้าที่อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นในการ ที่จะปฏิบัติราชการรับใช้เบื้องประโยชนโครบาบัดเนี่ยเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ฝากแง่คิดให้กับบรรดาเพื่อนเพื่อนข้าราชการในทุกทางข้าราชการพ ล, ลเรือนทหารตำรวจอะไรต่าง ๆ, ๆจาาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะใช่ปนก็พูดถึง2ประเด็นเอาคนที่อยู่ในวัยปฐมวัยซ ะ, นะก็คือว่าเราดูแลเรื่องพ่อแม่ของเราให้ดีนะตอบแทนบุญคุณท่า น, นเรื่องเรียนหนังสือเรื่องครูบาอาจารย์เราต้องรักษาให้ดีเนะพราะเราเริ่มทํางานอยู่ในตำแหน่งราชการเป็นต้นอย่างเงี้ย เราต้องดูเรื่องเพื่อนของเราค อ, อยทบทวนซิว่าชีวิตของเราผ่านมาเป็นยังไงนี่ในกระเป๋าคุณลดลงไหมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเป็นยังไงกันแน่นะเพื่อนเราเป็นยังไงเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีเราคบเราเลิกคบหรือเปล่านะจิตใจของเราเป็นยังไงเราต้องทบทวนอยู่ตลอดเพะเราทบทวนอย่างนี้แล้วชืว่อว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทนะทิศทางการบินทิศทางการดําเนินชีวิตของเรา น, นจะไปได้เราจะไปถูกเส้นทางเราจะไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยน้ํำน้ํามันไม่หมดกลางทางตื่ใจ ใเราพิจารณา่งนี้อยู่นึงเนี่ยเจ้าค่ะและสําหรับท่านที่รับงานตําแหน่งใหม่หรือเป็นข้าราชการนั้นถ้าหากว่าท่านหลงผิดไปในเรื่องของการอ่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่ำราดบางหลวงอะไรต่างๆนั้นก็คิดว่าพระอาจารย์ก็คงจะส่งเสริมให้ตัดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ไม่เข้าไปอยู่ใกล้พวกนั้นเลยโอแน่นอนเหมือนเหว๋อเหว๋เหวเห๋อลึกๆเหว๋อชันๆกรอกชันเนี่ยเราอย่าไปเข้าไปใกล้เจ้าค่ะ เพราะว่าสมัยนี้บางทีเขาบอกว่ากรรมก็ติดจรวจเหมือนกันนะเจ้าคะตามทันดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องพึงระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทไม่ว่าเราจะอยู่ในไวัยไหนก็ตามอย่างที่พระอาจารย์ภัยบูรณภิพุโนท่านได้เมตตาที่จะสักฉามา2วันนี้คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรา ย, รายการธารรมราพูนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสําหรับการอาสักฉาหรือการสนทนาธรรมนั้นเนี่ยเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะ ซึ่งก็จะเป็นการสนทนาธรรมากับท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสอาดที่ตผาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตมบุดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะถ้าหลวงพ่อท่านมาร่วมรายการได้ก็จะมาร่วมรายการแต่สําหรับในวันอื่นๆนะคะวันพรุ่งนี้ก็มีรายการธรรมาราบรุญให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเหมือนเช่นเคยซึ่งก็จะเป็นการดําเนินรายการของท่านอาดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านจันทีมาเฉยสงวนอยู่นะคะซึ่งก็เป็นช่วงของ การทีอ่อยู่ระหว่างข้าพัรษานี่แหละค่ะจากนั้นก็คงจะได้พบกันใหม่ในสาอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้เรามากราบน้ำมการขอบพระคุณอย่างสูงและก็กราบน้ำมการลาพระอาจารย์ไพบุตรภิบุญโนพร้อมกันนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดา ห, ห์หน้าค่ะกราบน้ำมสการขอบพระคุณและกราบลาเจ้าขาพระอาจ า, จ า, า, ารย์เจ้าขะเบาลสาธุเจ้า่ะ